แนะนำะ บ, บทอันนัดบทอันนะัดเป็นบทมักกิยาะมีหกสิบสององค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับสารโดยทั่วทวไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันเขี่ยมะเช่นเดียวกับบทมักกิยาะอื่นๆบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิรอดซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมูฮัมมัดสลลัลละเวัลสลัในการ อัลเมรอดครั้งนี้ท่านหลอซูนได้เห็นภาพลักษณ์ที่ประหลาดอย่างมากมายเป็นสิ่งจําเป็นต้องศรัทธาและเชื่อมัน่นไม่บังควรที่จะโต้เถียงในเรื่องที่เป็นสิ่งลึกลับและในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การของพระเจ้าหลังจากนั้นได้พูดถึงบรรดาจเจวิตและรูปปั้นที่พวกมุสลิมเคารพ บ, บูชาและได้ชี้แจงถึงข้อเสียและความไม่ถูกต้องของบรรดาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นและความไม่ถูกต้องของการเคารพ บ, บูชาอื่นจากอาลัลลอ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 และหญิงยะโสไม่ ย, ยอมรับสจัจธรรมที่มัวมัด ส, สลลลวะเลยวะสลัมนำมาเผยแผ่ด้วยพระนามของอลลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวั น, นอวขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงมาม สหายของพวกเจ้าคือมัวหมัดไม่ได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ถูกและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์ อ, อัลกุยยอรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมา ผู้ทรงพลังคือยิบรออีนได้สอนเขาผู้ทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริงลวขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้ชุดชีตขณะนก่บขาอยูยบนเอาอันสูง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 ณที่ต้นพุทธาอันไกลโพน้นณที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พรมนักขณะนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายด้วยปกคลุมต้นพุทธา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 สำหรับพวกเจ้ามีเพศชายและสำหรับพระองให้เพศหญิงกระนั้นหรือดูสินั่นเป็นการแบ่งส่วนที่มายุติธรรมเลยออออินีลาสสยทุ أسماء سميتها م أنتم و آ ب ا ؤ ك م ما أنزل الله ب ن ا من سلطان إيتبعون إلا ا ل ظ ن وما تهوا الأفس ولقد ج ا ء ه م من ر ب ه م ا ل ه د ى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 إن ان หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปราถนาอ ال ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮัลลอฮ์อัลลอฮ์อั์ออฮอัลลอฮัลลอฮ์อัลลอฮลลลลอ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 ال ت ت ถ้าจิงบรรดาผู้ที่ไม่สรัทธาต่อวันประโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมาลายกะเป็นเพศนี้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 และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในทางนําที่ถูกต้องและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮเพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทําความชั่ว ตามพี่พวกเขาประพฤติและทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี นนาการบรรดาผู้ออกห่างจากการทำบาปใหญ่และสิ่งลามกทั้งหลายเว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแถ้จริงรพระผู้วิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัย พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งเมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในคันมารดา ข, ของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าอยา่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองพระบรมทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรงเจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บางไหมและเขาให้เพียงเล็กน้อยและเขาได้ตรณี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 ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนว่าจะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้ลาาและมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้ว และถ้าจริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นหนไม่ช้าและเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนวนาอับก และแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้มีพระบารของเจ้าและแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้หัวเราะและทรงทำให้ร้องไห้และแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น้องค์ผู้ทรงทำให้ายและรงทำใ จา น, นุนานนาและแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีปัญญาคู่หนึ่งคือเป็นเพศ ช, ชายและเพศหญิงจากเชื้อสุจิเมื่อมันหลั่งออกมาวออันนและแท้จริงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง และแท้จริงพระองค์ทรงทําให้เขาร่ํารวยและทรงทําให้เขายากจนและแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวอัชชะระ ه ه อลและแท้จริงพระองค์ทรงทลายพวกอากรก่อนก่อ น, น, นและพวกสมุทรก็ไม่ให้มีเหลือ อยูอลยและกลุ่มชนของนัวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อาธรรมยิ่งและเป็นผู้ละเมิดยิงและเมืองที่พิกความลงนั้นพระองค์ทรงทำให้มันถล่มล ง, ลงฉะนนั้น สิ่งที่ครอบคลุมมันก็คือการลงโทษก็ได้ครอบคุมมันดังนั้นความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อน เวลาที่ใกล้เข้ามาวันกิยามะได้ใกล้เข้ามาแล้วไม่มีผู้ใดจะปัดเปล่าออกไปได้นอกจากอัลลอ์เท่านั้นพวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้หรือแต่พวกเจ้ายังคงหัวเราะ